บทภาชณีติกาภาจิตี 1,105 กรรมที่ทำถูกต้องภิกษุณีสาคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องบวชให้ต้องอบัตปภาจิตตีกรรมที่ทำถูกต้องภิกษุณีไม่แน่ใจบวชให้ต้องอบัตปภาจิตตีกรรมที่ทำถูกต้องภิกษุณีสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องบวชให้ต้องอบัตปภาจิตีติกาทุกกฎ กรรมที่ทําไม่ถูกต้องพิชฌณีสําคัญว่าเป็นกรรมที่ทําถูกต้องบวชให้ต้องอระบาดทุกกฎกรรมที่ทําไม่ถูกต้องพิกชฌณีไม่แน่ใจบวชให้ต้องอระบาดทุกขกดกรรมที่ทําไม่ถูกต้องพิชฌณีสําคัญว่าเป็นกรรมที่ทําไม่ถูกต้องบวชให้ต้องอระบาดทุกขกด